ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องศรัทธาทราบซ่านใจพระมหากบินะเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่21มิถุนายน2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ ณบัดนี้วันนี้ลองมาฟังประวัติของ พระอรหันต์รูปหนึ่งจะเห็นถึงเรื่องของความศรัทธานะในพระอรหันต์รูปนี้ชื่อว่าพระมหากัปปินณะเทระส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องประวัติของพระอรหันต์เราจะสังเกตได้ว่าบางรูปนี่ก็ลาบากโหกว่าจะได้บรรลุธรรม แม้ในชาตินั้นนะนะแต่บางรูปนีนก็ง่ายแค่ได้ฟังทำพระพุทธเจ้าตัดเท่านั้นเองอ่ะบางทีแค่ได้ฟังเทนะบรรลุเลยไม่ต้องเน็ดเหนลยไม่ต้องลําบากซึ่งอันนี้มันอยู่ที่วาสนาบา ร, รมีที่สะสมกันมาเนี่ยยังเอ่อบางทีเนี่ยภิกษุที่ได้บวชแล้วก็ฟังทำพร้อมๆกัน บางรูปนะฟังปั๊บเอา้าอาจจะเฉยๆยังไม่ได้เลื่อนฐานอะไรเลยแต่บางรูปฟังแล้วเอา้าได้เป็นพระโสดาบันบางรูปก็ได้เป็นพระสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์เขาบอกว่าอะไรนะแข่งแข่งช้างแข่งม้าเหรอแข่งเรือแข่งพายอะ่ะ แข่งเรือแข่งพายอ่าอันนั้นนะแข่งกันได้แต่จะแข่งเรื่องของวาสนาบารมีนี่แข่งกันไม่ได้แล้วก็แข่งกันไม่ได้จริงๆของใครของคนนั้นเรื่องเนี้ยเพราะนั้นเวลามาปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปดูคนอื่นคนอื่นเนี่ยจะอะไรนะแม้เขาฟังธรรมเขาเข้าใจเขาปฏิบัติได้ผลดีกว่าเราอันนั้นเขาไม่ใช่เรา ยังไม่เสมอเลยว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าเอาไปเปรียบเทียบเราอย่าไปเปรียบเทียบกันอื่นถ้าไปเปรียบเทียบเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวได้เรื่องถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราก็บางทีรู้สึกอะไรอ่ะต่ําต้อยเหลือเกินทําไมเราแหมดูซิเขาฟังแล้วเขาก็ได้อย่างนั้นอย่างนี้ไอเราฟังแล้วเราก็เฉยเฉยไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าไปเปรียบกับคนที่สูงกว่าเรา แต่ถ้าไปเปรียบกับคนที่ต่ำกว่าเราเป็นไงจะรู้สึกยังไงถ้าไปเปรียบคนที่ต่ำกว่าเราบอกโอ้ยดูที่แม้ฟังธรรมมาแล้วดูสิแหมเรารู้เราเข้าใจเราตอบได้เราเอาไปปฏิบัติก็ได้ผลไอคนนั้นดูที่ฟังเผลอมาฟังธรรมมาเข้าวัดพร้อมๆกับเราอะ่ะแต่ดูที่ยังเป็นอารมอารมบอยเป็นอะไรเป็นคนวัด เป็นอารมมิกหนึ่งอยู่เลยโอ้แต่เราแหมได้ตั้งอารมมิกเท่าไหร่เข้าไปแล้วอะ่ะนะหรือว่าโหได้เป็นปะได้เป็นนาคได้เป็นเนนได้เป็นสมณะแล้วถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราไปเปรียบกับคนที่ต่ากว่าบางทีเราก็จะหลงตัวเองหรือว่าจะดูหมิ่นคนอื่นเพรา ะ, ะนั้นต้องต้องระวังแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ความจริงของตัวเรานะต้องรู้ความจริงของตัวเอง อย่าหลงอย่าหลงตัวเองหลงสูงหรือว่าหลงต่ำเนี่ยไม่เอาทางนั้นนะใครที่ยังหลงสูงหลงต่ํานี่แสดงว่ายังชอบเล่นไฮโลนะไฮโลก็คือสูงกับต่ํานะ่ยังติดไฮโลอยู่ถึงได้ยังหลงสูงหลงต่ําอยู่แม้แต่ฟังดีๆนะคราวนี้พระเจ้าในสันตัดแม้แต่หลงว่าเสมอกันกันกบเราะนี่ยังหลงได้เลยคุณคิดดูเอา สูงแม้เพื่อเรามาด้วยกันเนี่ยแม้มามาปฏิบัติธรรมวันเดียวกันอยู่วัดมาก็อยู่ได้ยาวนานเหมือนกันก็เลยหลงว่าเขาเนี่ยเสมอกับเราเขาเนี่ยพูดง่ายฝีมือในการรู้ธรรมะในการปฏิบัติธรรมเท่าเทียมกับเราแหละไม่สูงกับเราหรือไม่ตามกับเราคุณหลงก็ได้เพราะบอกแล้วนี่เราก็ยังไปไปเทียบกับคนอื่นเขา เขาอาจจะสูงกับเราก็ได้ทำไมคิดว่าเขาเท่าเราอ่ะหรือเขาอาจจะต่ากับเราก็ได้ทำไมคิดว่าเขาเท่าเราอ่ะเพราะนั้นาศาสนาพุทธจิงไม่สอนให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นใครปฏิบัติเนี่ยนะของตัวเองปฏิบัติยังไงปฏิบัติไปพร้อมเมื่อไหร่จะบวชวันไหนเอาสมัครบวชถ้าพร้อมถ้าไม่พร้อมก็อย่าพึ่ง แม้บางทีมาด้วยกันเนี่ยนะเขาสมัครแล้วแต่เราเองเราเอ๊ะเรายังไม่พร้อมนะเรายังไม่สมัครอ่ะอันเนี้ยให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นถ้าสมมุติว่าถ้าไม่มีอันเนี้ยมองความจริงของตัวเองออกเนี่ยมันจะหลงเมื่อหลงแล้วพอบางทีเนี่ยพอเราอ่าคิดไปตามนั้นแล้วข้อผิดพลาดจะตามมาน่าจะเกิด จะเกิดแค่ความรู้สึกก็บางทีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นแล้วหรือถ้าเราจะเรียกก็คือมาน ะ, ะพระอรหันต์เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าในฐานอนาคาเมีเยจะต้องไม่จะต้องตัดได้แล้วว่าไม่หลงว่าคือไม่มีมานะว่าเราสูงกว่าเขาเราต่ำกว่าเขาหรือเราเสมอเขาจะต้องไม่มีเลยพวกนี้และในสามตัวเนี่ย ยังแยกกระจายรายละเอียดออกไปเป็ น, ปนอีกเก้าเนี่ยเป็นอีกเก้าอย่างในในในสามอย่างนี้ราะเรื่องของอัตตามาณนะเรื่องของความหลงตัวเนี่ยโอ้โหในนักปฏิบัติธรรมจะมีได้ง่ายจะมีได้มากวันต้องระวังตัวนี้ไว้ด้วยนะเพราะนั้นมาปฏิบัติแล้วไม่ต้องไปอะไรอะเอียงซ้ายเอียงขวาไม่ต้องเล คอยดูว่าคนนั้นคนนี้เขาจะไปไกลกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาโอเราทิ้งเขาห่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกนะเอาปฏิบัติของเราเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยทุ่มเทให้ดีที่สุดของตัวเราเองทำไปให้เต็มที่ของเราเองนะอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็นผลดีกับตัวคนนั้นมากที่สุดเลย อาตอนนี้เราลองมาฟังดูนะเรื่องของพระมหากัปปินณะเถระในอดีตชาติอันไกลโพ้นของพระมหากัปปินณะเถระนั้นเคยได้เป็นผู้พิพากษาอยู่ในนครหังสวดีมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระซึ่งประกาศคุณของภาษาวกไว้ในตาแหน่งผู้เป็นเลิศในการสอนธรรม คือคืออันนี้ก็เท้าความย้อนไปนะว่าในอดีตชาติของพระมหากัปตินะเนี่ยปรากฏว่าในชาติหนึ่งในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ที่พระนามว่าปทุมุตระเนี่ยชาตินั้นนะ่ะท่านได้เป็นผู้พิภาคษานะผู้พิภาคษานี่ก็ตัดสินคดีอะไรต่างๆอันนี้ตัดสินดีก็ดีไปตัดสินไม่ดีก็ได้บิบาก อนะได้พาะาะนั้นใครล่ะพาอะไรนะชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าบูกะผักกะเอเตมี <c oughs> นะพระเตมีใบอะ่ะที่ที่แบบว่าพระราชานะพาพระโอรสซึ่งเป็นพระเตมีเนี่ยมาร่วมฟังคำตัดสินมาอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็ โอ้โหท่านก็ระลึกอันนี้ได้อะว่าว่าไปเป็นผู้วิพากษาแล้วไปสร้างบาปสร้างอะไรไว้มากมายขนาดไหนแล้วก็จะต้องชดใช้เยอะขนาดไหนก็เลยไม่ยอมเลยไงเลยไม่อยากที่จะไปเป็นผู้วิพากษาแล้วก็ทำตัวเป็นง่อยเปียทำเป็นใบ้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคลองราดจะได้ไม่ต้องไปตัดสินใครซึ่งยริงจริการตัดสินคนเนี่ยบอกแล้วบุญก็ได้ นะถ้าเราตัดสินได้ยุติธรรมได้ถูกต้องก็จะได้บุญมากมายแต่ถ้าเราตัดสินอยุติธรรมไม่ถูกต้องเอาก็ได้บาปมากด้วยเหมือนกันแต่ในชาติของพระเตมีนี่คุยง่ายว่าตัดรอบเลยไม่อยากเสี่ยงเลยไม่อยากไม่อยากเอาทั้งบุญทั้งบาปเลยนะแต่ว่าเล่นบําเพนบําเพนอะไรอะง่อยเปี้ย บเพ็ญไม่พูดอยู่ตั้งกี่สิบปีหลอกหลอกพระบิดาพระราชมาดาหลอกจนกระทั่งเรียกว่าใครๆก็นึกว่าพระโอรสนี้พิการจนตอนหลังอ่ะโหถึงถึงโตเลยแล้วก็ตอนหลังก็ถึงได้อะไรอ่ะไปบวชไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะนะอันนี้พูดได้ฟังปะเนี่ยชาติหนึ่ง ในอดีตของพระมหากัปถินานี่ก็เป็นผู้พิพากษานาเสร็จแล้วในสมัยนั้นนะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพอดีผู้เจ้าท่านอะไรอ่ะเาเรียกว่าอะไรยกย่องอ่ะหรือว่าแต่งตั้งเ อ, อเอกทัคคะนะแต่งตั้งสาวกรูปหนึ่งเนี่ยว่าโอ้โหสาวกรูนี้ยอดเยี่ยมในการสอนธรรมะ แต่งตั้งยอดเยี่ยมเนี่ยต้องยอดจริงๆนะถึงจะแต่งตั้งเรียกว่าภิกษุทั้งปวงเนี่ยไม่รู้ล่ะยุคพระพระเจ้าพระพุทธเจ้าปทุมุตระนี่จะมีสาวกทั้งทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่เท่าที่จําได้เนี่ยพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมที่ที่เราศึกษาธรรมะอยู่เนี่ยรู้สึกจะมีสาวกน้อยกว่าผู้เจ้าองค์อื่นๆเลย น้อยที่สุดเลยในบรรดาผู้พระเจ้าที่ผ่า น, านมาเท่าที่จะมาเคยอ่านผ่านตามันเนี่ยนะน้อยมากน้อยน้อยกว่กากันเยอะเลยอายกุก็น้อยกว่าด้วยหมายถึงว่าปรินิพานเนี่ยอายุก็น้อยกว่าพระเจ้าองค์อื่นๆจัดอะไรนะอามาคะมาคะบูชาหรื อ, อสแสดงปฏิโมกอะไรพวกเนี้ยน้อยครั้งกว่า พระพุทธเจ้าองค์อื่ น, น, นทั้งหมดที่ที่พระสาวกมารวมกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยน้อยที่สุดเลยพรุทธเจ้าพระองค์อื่นนี่โอ้โหมาเป็นหมื่นหมืนมาเปหมื่นหมื่นรูปเลยพระอระหันต์นะอ่ะตอนนี้พออย่างเงี้ยมีการแต่งตั้งขึ้นมาใช่ไหม อดีตชาติของพระมหากรกขินาเนี่ยเห็นแล้วก็โอ้โหอยากอยากเป็นอย่างนั้นมั่งอยากได้เอกทัทคะในด้านนี้ในด้านสามารถที่จะสอนธรรมะได้เก่งนะคราวนี้นี่ฝังแล้วนะฝังเป็นอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกับอธิษฐานจิตอย่างนั้นน่ยคือเป็นการตั้งจิตที่ว่าเราอยากจะดีอย่างนี้ให้ได้ฟังธรรมแล้วเกิดปิติยินดียิ่งปรารถนาตําแหน่งเช่นนั้นบ้าง จึงกระทาบุญสะสมไว้ด้วยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมสาวกให้เสวยและฉันได้กระทากุศลในชาตินั้นจนตลอดชีวิตคือตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็สั่งสมบุญมาตลอดจนกระทั่งตายเลยละพอตายแล้วนะจากนั้นก็ได้เวียนตายเวียนเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์เทวดาก็รู้นะตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ถึงแบบ เกิดอยู่ในสภาวะจิตที่อะไรอะ่ะดีที่สูงอ่ะนะชั้นสูงถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็หมายถึงว่าเนี่ยได้มีตัวตนมีสภาวะจิตที่นะก็ยังดีก็ยังประเสริฐอยู่จนกระทั่งได้ไปเกิดอยู่ในตระกูลช่างหูกหูกหูกรู้จักไหมหูกอะ่ะที่เขาใช้ทอผ้านะอันนี้มันของโบราณหน่อยอะนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องใช้ไอ้แบบ มาทอมืออะไรเองอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้เครื่องจักรเครื่องกลกันแล้วแต่นี่สมัยโบราณ น, นะก็ไปเกิดในตระกูลช่างหูกที่ตำบลบ้านใกล้นครพาราณสีมีบริวารมากมายถึงหนึ่งแสนคนในชาตินี้เขาได้ทำบุญไว้เป็นอันมากอุปถากพระปัจเจกับพทธเจ้าถึงห้าร้อยพระองค์ด้วยการถวายจีวร ถวายอาหารอันปรณีตตลอดสามเดือนเวยง่ายว่าสมมติว่าพันษาหนึ่งเนี่ย น, นี่มนเลยนี่มนพระพุทธเจ้าอุปถากเนี่ยอุปถากเนี่ยหมายถึงว่าดูแลคอยรับใช้ขาดเหลืออะไรยังไงก็จัดหามาให้นั่งกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าห้าร้อยพระองค์แล้วก็สมเดือนนะทำตลอดทุกวันเลย ผลแห่งบุญที่สะสมไว้นี้ในชาติสุดท้ายจึงได้เป็นกษัตริย์พระนามว่ากัปปินะนะครองนครกุกกูกตะใกล้ป่าหิมพานต์ทรงเป็นพระราชาผู้ถึงพร้อมด้วยความสุขหากทรงปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จดังประสงค์ทุกประการนะพูดง่ายว่าสั่งสมอะไรวัตถุทานไว้มากทำบุญด้วยวัตถุเนี่ยวไวมากเพราะนั้นเนี่ยพอมาเกิด ชาติสุดท้ายที่เป็นกษัตริย์ได้พนางว่ากับปินะเนี่ยปรากฏว่าสมบัติมากมายอยากจะได้อะไรนะต้องการอะไรนี่มีคนหามาให้ได้หมดมีอยู่คราวหนึ่งพวกพ่อค้าจากนครสาวัตถีแห่งแคว้นโกสลได้เข้าเฝ้าพระเจ้ากับปินะพวกเขากราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพบัดนี้พระพุทธเจ้า องสมณะโคดมผู้เอกอัครบุคคลไม่มีใครเสมอเหมือนสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกขณะนี้ประทับอยู่ที่นครสาวัตถีพระองค์ทรงประกาศพระศัทธธรรมอันเป็นธรรมที่ไม่ตายอันเป็นธรรมอันอุดมสุขและสาวกของพระองค์เป็นผู้หมั่นขยันพ้นทุกข์ไม่มีอาสะวะกิเลสได้แล้ว คือพูดง่ายว่ามีอยู่วันหนึง่งพวกพ่อค้าเนี่ยมาเล่าเรื่องให้พระเจ้ากับปินะเนี่ยฟังว่าโ อ, โอ้รู้หรือเปล่าว่าบัดนี้เนี่ยพุทธะเกิดแล้วธรรมะเกิดแล้วสังฆะเกิดแล้วนะนี่พูดแบบง่ายๆนะตามที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็คือว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนนะแล้วก็แสดงธรรมเนี่ยก็คือ อ, อันแรกก็คือพุโทโธ ผู้เจ้าเกิดแล้วเนี่ยก็คือพุโทโธนะแล้วก็แสดงธรรมเนี่ยก็คือธรรมโมนะแล้วก็เนี่ยพระสงฆ์สาวกก็ปฏิบัติธรรมละปฏิบัติตามแล้วก็พ้นกิเลสได้พ้นทุกข์ได้อันนี้ก็คือสังโฆนาะสาว ก, กสังโฆเพียงแค่ได้ยินคําว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆอุบัติขึ้นแล้วก็บังเกิดปิติสุขอย่างแรงกล้าแผ่ซ่านไปทั่วพระสรีระของพระราชา ถึงกับทรงตั้งพระไยว่าเราจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนี่ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะนี่แค่ได้ยินพ่อค้ามาพูดให้ฟังว่าพุทโธธรรมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วในโลกแค่ได้ยินเท่านั้นนะ่ะพวกเราได้ยินมาบ่อยแล้วพุทโธธรมโมสังโฆใครขนลุกมั้ง่า <laughs> มีไหม ไม่มีเราเฉยๆฟังแล้วเราก็เฉยๆแต่นี่นี่ให้เห็นนะอาตมาถึงบอกว่าสนาบารมีเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้เลยจริงๆพระเจ้ากับปินาเนี่ยท่านสั่งสมมาของท่านนามากมายเพราะนั้นท่านเพียงแค่ได้ยินว่าพุทโทรธธรรมโมสังโฆแค่นี้ถ้าเป็นภาษาง่ายๆก็บอกขนลุกสู้หมดเลยทั้งตัวเลยโอ้โหรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่คนลูกสู้แบบเห็นผีนะ อันนี้ขนลูกสู้แบบทีนี้ที่ว่าโอ้โหมันอะไรอะ่ะมันตื่นเต้นมันยินดีพอใจอะ่ะปราบรื้มอะไรอย่างเงี้ยเนียกว่ามันแผ่ซ่านไปเลยทั่วตัวเลยแล้วพอความรู้สึกอันเนี้ยแผ่ซ่านไปแล้วก็ทันทีเลยว่าโอ้โหจะต้องไปบวชกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ให้ได้คุณคิดดูเอานี่บารมีขนาดไหนแค่ได้ฟังแค่เนี้ย ยังไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมอะไรเลยนะแค่ฟังคนมาบอกข่าวให้รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นเท่านั้นเองแค่เนี้แทบจะแบบว่าออกบวชเลยนะ่าตั้งจิตไว้เลยว่าต้องออกบวชนะเสร็จแลแ้วตอนนี้พอปรากฏว่าพระเจ้ากับปีนาเนี่ยโอ้โหเห็นไหมศรัทธาที่สะสมมานี่แรงกล้ามากเลยแค่จะยินคนบอกข่าวว่า พระพุทธพระธรรมเกิดขึ้นเท่านั้นเองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเกิดขึ้นเท่านั้นเองอะเรียกว่าคิดเลยว่าต้องมาบวชกับพระพุทธเจ้าอ่าพอคิดแล้วนะคราวนี้แล้วตรัสกับอำมาตทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุบัติขึ้นแล้วเราจะไปบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจะไม่หวนกลับมาอีกคุณคิดดูเอาพอพอคิดขึ้นมาเท่านั้นเองได้ฟังข่าวนี้ บอกเลยประกาศกับหมูอมัดเลยว่าจะไปบวชแล้วนะผู้ง่ายๆแล้วจะไม่หวนกลับมาอีกโอ้โหโคุณคิดดูสิว่าศรัทธาแรงขนาดไหนบารมีเนี่ยบุญที่สะสมมาในมากขนาดไหนบางทีพวกเรามาวัดมาได้ไม่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวๆขอกลับบ้านก่อนอันนี้ท่านประกาศเลยว่าว่าพูดง่ายว่าจะมาขอบวชแล้วก็จะไม่หวนกลับมา พระราชวังอีกเลยอ่ะคุณคิดดูเอาก็แล้วกันว่าจิตเนี่ยมันมีพลังของความเด็ดขาดขนาดไหนซึ่งถ้าเราไม่สะสมบา ร, รมีพอเนี่ยความเด็ดขาดมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยอ่อนลงไปเรื่อยวันถ้าใครสะสมมามากพอบา ร, รมีมันจะเข้มข้นน่าจะแรงกล้าเนี่ยมากเสร็จแล้วเอาก็ได้พระราชทานทรัพย์ให้พวกพ่อค้านั้นถึงสามแสน แล้วทรงสละราชสมบัติทั้งปวงสเสด็จออกจากพระนครคือพูดง่ายว่าไม่รอช้าเลยพวกพ่อค้าที่มาบอกข่าวนี่นะโอ้โหให้ให้ทรัพย์ไปเลยสามแสนเสร็จแล้วก็สละราชสมบัติเลยโดยมีเหล่าอมหมาจำนวนมากติดตามไปหมายบวช ด, ด้วยกูดูแม้แต่พวกอมหมาเนี่ย ท, ที่ที่ติดตามพระราชาเนี่ยพระเจ้ากับปินะเนี่ย พอรู้ว่าพระเจ้ากับปินาจะไปบวชนะไปหาผู้เจ้าก่อนแล้วก็จะขอบวชพวกอมาตพวกนี้ก็นี่วาสนาบารมีจะต้องสะสมมาด้วยสะสมมาร่วมกันเขาเรียกว่ามีบุญ ร, ร่วมกันอยู่เพราะฉนั้นพอพระเจ้ากับปินาไปเนี่ยก็ขอตามไปด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าพระเจ้ากับปินาบวชก็จะขอบวช ด, ด้วยอืมีบารมีใครบารมีมันนะทุกวันเนี่ย เพอเพ อ, อต้องจ้างให้บวชทุกวันเนี้ยกูดูอะเฮ้ส่วนใหญ่นะนี่พูดแบบส่วนใหญ่ต้องจ้างให้บวชแล้วบวชกี่วันฮนะส่วนใหญ่บวชเจ็ดวันบวชพรรษาหนึ่งคือสามเดือนของเขาอะก็แค่นั้นแหละแล้วก็สึกนะต้องจ้างด้วยนะแล้วก็ยังต้องอะไรมีกำหนดให้ด้วยนะนี่ต่างจากสมัยก่อนมากเลยเพราะสมัยก่อนเขาบวชเขาไม่มีอะ บวชก็คือต้องบวชตลอดแหละไม่มีบวชว่ามากำหนดวันศึกไม่มีทั้งหมดพากันเดินทางไกลกระทั่งถึงแม่น้ำมหาจันทานาทีอันกว้างใหญ่มีแม่น้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งทั้งไม่มีท่าน้ำไม่มีแพยากที่จะข้ามได้เพราะกระแสน้ำไหลเชี่ยวเอาและนั่นเนี่ยเดินทางไกลเลยเพื่อที่จะต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ได้ เสร็จแล้วก็ไปเอาละก็ผ่านอะไรต่ออะไรไปนะจนก็เจอไอ้อะไรอะ่ะแม่น้ำใหญ่ขวางแล้วแม่น้ำนี่ไหลเชี่ยวด้วย mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้พระเจ้ากับปิณนะทรงตั้งจิตกำหนดใจระ ล, ลึกถึงคุณแห่งพระรันาตนตยแล้วตรัสว่าหากพระพุทธองค์ทรงข้ามกระแสน้ำคือพบได้ถึงที่สุดแห่งโลก ทรงรู้แจ้งชัดไส้ด้วยสัจจวาจานี้ขอให้การเป็นขอให้การไปของเราจงสําเร็จคือผูดง่ายๆว่าตั้งจิตแล้วเพราะว่าโอ้โหน้ำก็กว้างน้ําก็ไหลเชี่ยวข้ามไปเนี่ยยากอะ่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งจิตนะว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วก็เป็นจริงว่าท่านท่านเป็นพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆเนี่ยนะก็ขอให้เนี่ยเนี่ย ที่เอ่ยปากเป็นสัจวาจาเนี่ยวาจาที่เป็นความจริงเนี่ยถ้าเป็นจริงตามนี้ใช่ไหมขอให้ข้ามน้ําได้พูดง่ายนะหากมักอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้เป็นเครื่องให้สัตว์โลกถึงความสงบได้เป็นเครื่องให้โมกขธรรมเป็นธรรมอันสงบประงับนําความสุขมาให้ได้ไซด้วยสัจวาจานี้ขอให้การไปของเรา จงสำเร็จอันแรกเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงนะพุทโธเนี่ยถ้าพุทโธมีจริงขอให้ข้ามน้ำนี้ได้สำเร็จถ้าธรรมโมเนี่ยพูดถึงโมกะธรรมพูดถึงมรรคข้อปฏิบัติต่างๆนะอันนี้คือคือพระธรรมถ้าธรรมโมมีจริงธรร ม, มะเนี่ยที่ถูกแท้ที่เป็นสัจจริงแล้วเนี่ยนะ ถ้ามีอย่างนี้จริงแล้วต้องข้ามน้าสำเร็จหากพระสงฆ์เป็นผู้ข้ามพ้นทางกันดานไปได้จริง <c oughs> เป็นเนื้อดาบุญอันเยี่ยมไซด้วยสัจจะวาจานี้ขอให้การไปของเราจงสำเร็จผูยง่ายเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าทําเกิดขึ้นจริงอุบัติขึ้นจริงในโลกนี้แล้วนะขอให้การข้ามน้าเนี่ยคือไม่ใช่ แค่พระเจ้ากับปินาเนี่โอ้โหอมาร์ตอีกตั้งเยอะตั้งแยะนะที่ตามมาเป็นกระพวนเลยวันนะี้ขอให้ข้ามน้ำได้สำเร็จแล้วทรงข้ามแม่น้ำเชี่ยวกลากพร้อมเหล่าอมาร์ตที่ติดตามมาขึ้นถึงฝั่งแม่น้ำอันน่ารื่มดมใจได้โดยสวัสดีอ่าอันนี้คือการอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตไม่ใช่การขอแบบเนี้ย ขอแล้วก็ให้สำเร็จได้ตามนั้นอันนี้ที่จริงมันไม่ใช่การขอแต่เป็นความตั้งใจตั้งใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือจะฝ่าไปให้ได้จะข้ามน้าไปให้ได้อ่ะนะตั้งใจไว้แล้วว่าต้องข้ามให้ได้ก็ต้องพยายามเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงแล้วเนี่ยนะตั้งใจไว้ก็จริงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นจริงทั้งหมดเนี่ย มันก็ต้องออกมาตามจริงนนก็จะต้องสามารถข้ามได้สำเร็จแต่ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จริงสมมุติว่าพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์มีจริงแต่พระเจ้ากับปิณนะกับพวกอมานี่ไม่ได้ศรัทธาจริงไม่มีบุญบา ร, รมีจริงไม่ได้ตั้งจิตจริงที่หมายจะไปบวชจริงแล้วก็ไม่ได้จริงก็จะข้ามน้านี้ไม่ได้แล้วก็ไม่สาเร็จเพราะอันนี้คือการอธิษฐาน ไม่ใช่ขอเฉยๆส่วนใหญ่ไปแปลว่าขอเฉยๆเนี่ยก็เลยบางทีเนี่ยนะขี้เกียจมั่งบารมีไม่ถึงมั่งไม่ได้สะสมมาเลยแล้วก็จะขอให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ขอให้ตายก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สัจจะไม่ใช่ความจริงขอนี่คุณขอได้แต่ความจริงหรือว่าของจริงนะคุณขอในของที่ไม่จริงอ่ะไม่มีทางหรอกขอให้ตายก็เป็นไปไม่ได้ยกตัวอย่างสมมติว่า อตาตมาขอให้อตาตมาเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวเนี้เพราะเอาว่าเอาพ่อท่านก็จริงหมู่กลุ่มก็จริงแต่อตาตมาจะเป็นพาาาระอรหันต์เดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะการปฏิบัติการฝึกฝนยังไม่ได้ถึงผลของความเป็นอาหารหันต์ได้เพราะนั้นขอแล้วมันจะได้ได้ยังไงเพราะนั้นที่ขอขอเนี่ยมันต้องขอจากสิ่งที่เราได้นะเรามีจริงนะถึงจะได้ ถ้าคุณไม่มีคุณขอให้ตายก็ไม่ได้มันจะไปได้ยังไงอ่ะเพราะอันเนี้ยหลายคนที่สําคัญผิดแล้วก็เข้าใจผิดนะก็เลยกลายเป็นคนขี้ขออะไรอะรอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นก็ขอขออยู่ล่ําไปเลยเสร็จแล้วก็เอาไปบนที่นั่นไปบนที่นี่แล้วก็พอพอมันสําเร็จผลมาจริงนึกว่าที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ที่นั้นจริง ทั้งๆ ท, ที่บอกแล้วว่าความจริงมันไม่ใช่ไม่ใช่ศารพระภูมินันศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่ว่าอะไรอ่ะไอจอมปวกหรือว่าไอขอนไม้ต้นกล้วยอะไรสัตว์ประหลาดอะไรก็แล้วแต่จริงอ่ะมันไม่ใช่แต่เพราะวาสนาบา ร, รมีที่เราสะสมมาเนี่ยสามารถที่จะได้สิ่งนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็ตั้งจิตตั้งใจปรารถนาจะต้องให้สิ่งนั้นน่ะ เอามาให้ได้ก็เป็นจริงมันเป็นของเราอยู่แล้วเรามีสิทธิ์ได้อยู่แล้วเพราะนั้นคุณถึงได้มาถ้าบอกตรงๆนะไม่ต้องขอก็ได้